มิธานไทยเจ้าชายบายายากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนที่ไกลโพล้นราชินีแห่งเมืองที่เงียบสงบได้ให้กำเนิดลูกชายฝาแฝดเป็นเวลาเฉลิมฉลองของอาณาจักรพระราชายังคงต่อสู้อยู่ในสงครามแต่ว่าข่าวก็ไปถึงเร็วเด็กชายทั้งสองได้โตขึ้นคนแรกดื้อ น, นิดหน่อยเขาชอบออกไปเล่นข้างนอกมากที่สุด เาที่เขาจะทำได้ตรงกันข้ามกับน้องชายของเขาเขาชอบเล่นข้างในบ้านชอบอยู่กับแม่ของเขาและจะออกไปข้างนอกเมื่อเขาตามราชินีไปในสวนด้วยเหตุนี้เจ้าชายจึงเป็นคนโปรดของราชินีคนไหนคือคนโตหรือที่รักราชินีรู้ว่าพระราชาถามเพราะว่าลูกคนแรกจะได้ครองบัลลังก์ต่อ ดีมากเมื่อถึงเวลาลูกจะเป็นพระราชาคนต่อไปวิวรู้สึกประหลาดใจที่ได้ยินว่าพี่ชายของเขาจะได้เป็นพระราชาคนต่อไปเขาเอาใจทั้งหมดไปให้มาฉันอยากออกไปเห็นโลกและประสบการณ์ใหม่ๆฉันเบื่อที่ได้ยินว่าพี่ชายฉันจะได้เป็นพระราชาคนต่อไปและด้วยความประหลาดใจของเขา นายไม่มีความสุขที่จะอยู่บ้านเอาไปสู่โลกภายนอกสิม้าตัวน้อยได้พูดเป็นเสียงมนุษย์นี่นายพูดได้ยังไงอ่าอย่าถามเลยฉันบอกนายไม่ได้ฉันจะเป็นเพื่อนนายและให้คำปรึกษานายถ้านายเชื่อฟังฉันนะแต่อย่าไปโดยที่ไม่ขออนุญาตพอ่ออย่าพาใครไปด้วยและอย่าขี่มมาตัวอื่นยกเว้นฉันลูกสัญญา ลูกสัญญาเจ้าชายอ้อนวอนและร้องขอพระราชาแต่พระราชาไม่อยากให้ลูกชายตัวเองไปเขาไม่อยากให้เจ้าชายไปหลังจากพระราชนีกเกลียดกล่อมสักพักพระราชาจึงยอมปล่อยให้ลูกชายไปแต่พระราชาต้องการให้เจ้าชายออกไปอย่างสมเกียรติของเจ้าชายด้วยทหารมากมายและม้าอีกหลายตัว ทำไมลูกถึงต้องมีการคุ้มครองแบบนี้ด้วยท่านพ่อให้เงินลูกมานิดหน่อยและลูกจะขี่ม้าออกไปเป็นอีกครั้งที่เจ้าชายถิงกับพระราชาและร้องขอเจ้าชายได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการสัญญานะว่าลูกจะกลับมาภายในหนึ่งปีหรือไม่ก็ส่งสารมาว่าลูกอยู่ที่ไหนลูกจะทําท่านแม่ลาก่อนนะทุกคน ม้าตัวน้อยออกเดินทางด้วยสีก้าวแบบม้าตัวโตแต่วันนี้ไม่ใช่ม้าธรรมดาทั่วไปการเวลาทำอะไรม้าตัวนี้ไม่ได้ขนของมันนุ่มมากและเท้าของมันก็แข็งแรงไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนมันก็สดชื่นตลอดเวลาเหมือนกับลูกกว่าไปเที่ยวในเมืองนั้นกันได้สิ นายต้อ hm, งเป็นคนเดียวที่เมืองใกล้ๆแล้วแกล้งเป็นคนโง่ฮะโง่เหรอฉันแกล้งเป็นคนแปลกหน้าที่หล่อได้ไหมนายไม่ควรที่จะทรยศตัวเองไปหาพระราชาแล้วเขาจะให้งานรับใช้กับนายถ้านายต้องการอะไรมาที่ก้นหินนี้เคาะสามครั้งแล้วมันจะเปิดออกก็ได้ถ้างั้นฉันจะปลอมตัวเจ้าชายไปหาพระราชา เขาปลอมตัวด้วยการปิดตาข้างหนึ่งและทำให้หน้าเขาบวมแถมด้วยมีรอยชำ้ำพระราชามองเจ้าชายที่หน้าสมเพศด้วยความสงสารพระราชาสงสารความหนุ่มและความโง่องของเจ้าชายจึงยอมให้เจ้าชายได้รับใช้เขาเจ้าชายพิสูจน์ให้เห็นว่าเขามีความสามารถไม่นานนะักพระราชาก็ให้เจ้าชายจัดการเรื่องในวังเจ้าชาย คุยกับคนรับใช้และรับคำแนะนำจากพระราชาเขาเป็นห่วงปราสาทเขาจึงเรียบทำงานให้เสร็จทุกอย่างผู้คนชอบเขาและไม่นานทุกคนก็เรียกเขาว่าบายาย่าเพราะว่านั่นเป็นเสียงเดียวที่เขาพูดบายาย่า ay พระราชามีลูกสาวสามคนลูกสาวทุกคนสวยในแบบของตัวเองโซวิน่าเป็นคนโตบูดิงกาและซาวิน่าคนสุดท้อง เจ้าชายชอบอยู่กับพวกเธอเจ้าชายกวรจะเป็นคนที่โง่และน่าเกลียดราชาไม่ว่าอะไรที่เจ้าชายได้ใช้เวลากับลูกสาวของเขาลูกสาวของพระราชาชอบเจ้าชายพวกเธอมักจะพาเจ้าชายไปด้วยทุกที่เจ้าชายเอกก็ชอบลูกสาวของพระราชาด้วยแต่ว่าเจ้าชายชอบสาวินาคนสุดท้องมากที่สุดทุกอย่างที่เจ้าชายทาให้สาวินามักจะมากกว่าสิ่งที่เขาทาให้พี่สาวของพวกเธอ วงบันไดที่เจ้าชายทำให้ซาวิน่าดูแพงและการออกแบบสวยกว่าโซบิน่าและโบดินก้าแกล้งซาวิน่าแต่ซาวิน่าก็ไม่สนใจการเลาะหรือว่าความสนใจที่มากมายจากบายายาวันหนึ่งบายายาเห็นพระราชาเศร้าและด้วยการใช้ภาษาแบบหยาบๆเขาถามพระราชาว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นไปได้ไหมลูกชาย ที่เธอไม่รู้ว่าฝันร้ายกำลังคุเราอยู่หลายปีก่อนมังกรได้บินมาบนท้องฟ้าแล้วบินลงมาอยู่ใกล้ก้อนหินใหญ่ตัวแรกมีเก้าหัวตัวที่สองมีสิบแปดหัวตัวที่สามมียี่สิบเจ็ดหัว พวกมันฆ่าคนทั้งเมืองกัดกินวัวฆ่าผู้คนบางตอนเข้าโจมตีเมืองและเผาทุกอย่างเพื่อขอสงบศึกเอาอาหารทุกอย่างที่มีไปไว้ข้างนอกรั้วแต่ไม่นานพวกเราก็หิวห้อยและวมตกกังวลฉันมีหญิงชาราที่แก่และฉลาดมากฉันเรียกเธอมาที่วังและถามเธอว่าจะมีวิธีไหนที่สามารถไล่พวกปีศาจออกไปได้ ให้ตายฉันสัญญากับพวกปีศาจลูกสาวที่สวยทั้งสามคนของฉันเมื่อพวกเธอโตมาเป็นผู้ใหญ่ตอนนั้นลูกสาวของฉันยังเด็กอยู่ตอนนี้มันติดอยู่ในใจฉันฉันสัญญากับมังกรว่าจะให้ลูกสาวราชินีที่น่าสงสารของฉันตรอมใจตายแต่ลูกสาวทั้งสามคนของฉันโตขึ้นโดยที่ไม่รู้ชะตากรรม เมื่อฉันต่อร้องกับมังกรมังกรได้บินจากไปจนถึงเมื่อวานนี้ฉันก็ไม่ได้ยินอะไรอีกเลยแล้วเมื่อคืนก็มีข่าวว่ามังกรมาอยู่ที่ก้อนหินก้อนนั้นอีกแล้วร้องคำรามด้วยเสียงนากลัวพรุ่งนี้ฉันคงต้องให้ลูกสาวคนโตของฉันกับมังกรวันเมื่อเรืนก็คงจะเป็นลูกคนร้อง และคนสุดท้องแล้วฉันจะถูกทิ้งให้เป็นชายแก่ที่น่าสงสารที่ไม่มีอะไรเลยบายาย่าเล่าเรื่องมังกรและลูกสาวของพระราชารู้แล้ว เธอคือคนที่จะต้องช่วยเจ้าหญิงนั่นคือเหตุผลที่ฉันพาเธอมาที่นี่ฉันฉันไม่เข้าใจมันคือโชคชะตาของเธอพรุ่งนี้เช้ากลับมาแล้วฉันจะบอกว่าต้องทำยังไงโอ้ขอบคุณนะเจ้ามาน้อยบายาย่าเติมเต็มไปด้วยความสุขเขาต้องหลบหน้าเขาไม่อยากให้หมาเห็นความอ่อนไหวของเขาเอง ยกก้นหินที่อยู่ภายใต้ร่องน้ำของฉันแล้วหยิบของที่เธอเจอขึ้นมาชุดทั้งสามชุดเป็นของเธอแต่วันนี้ใส่ชุดสีแดงแต่ฉันไม่ใช่อัศวินอย่าได้กลัวฟันดาบไปที่เจ้าปีศาว ด, ด้วยความกล้าเชื่อในดาบของตัวเองแล้วจำไว้ว่าอย่าลงจากหลังฉัน ไปหาท่านพอ่อเพื่อที่จะบอกข่าวกับท่านแต่พรื่งนี้เป็นตาของฉันฉันสงสัยว่าอัศวินจะมาช่วยฉันไหมแม้ว่าการคาดการจะทําให้พวกเธอกลัวแต่พวกเธอก็หวังว่าอัศวินจะกลับมาช่วยพวกเธอและบายาย่าทําให้พวกเธอหัวเราะบายาย่าเต้นใบรอบๆด้วยความร่าเริงเพื่อทําให้ลูกสาวที่เหลือทั้งสองรู้ว่าไม่มีอันตรายใดๆสามารถทำํำร้ายพวกเธอได้ บายาย่าออกมาอีกครั้งกับอศวินไร้ยชื่อวันนี้เข้ามากับชุดขนนกขาวเขาสู้ฟันหัวมังกรสก8ดหัวหลุดออกและด้วยความกล้าหาญของเขาเขาฆ่ามังกรการสู้รบอีกครั้งและชัยชนะที่ได้มาง่ายๆอีกครั้งของบายาย่าเธอห้ามพูดกับอศวินจนกว่าเขาจะขี่ม้าออกไป พรุ่งนี้ถ้าเขามาช่วยฉันฉันจะคุกเขา่าและไม่ลุกขึ้นก่อนที่เขาจะมาส่งฉันที่ปราศาสตร์มีอะไรเหรอบายายา่าใช่พรุ่งนี้พวกเราจะไปเจออัศวินนิรนามด้วยกันบายายา่า ไม่สามารถปฏิเสธพวกเขาได้โดยเฉพาะเมื่อสาวินาคุกเข่าต่อหน้าเขาพร้อมด้วยจับชุดของเขาเอาไว้แน่นและมองเขาด้วยความสเสน่หาหัวใจของเขาละลายเขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างที่เธอขอ <c oughs> ทำไมเธอทำแบบนี้ล่ะพวกเขาไม่ควรรู้ว่านายเป็นใครสาวินาและพระราชาผิดหวัง ตอการที่พวกเขาหนีไปอย่างเร่งรีบหลังจากนั้นเป็นการเฉลิมฉลองดีใจแห่งการกลับมายัางปลอดภัยของเจ้าหญิงที่ปราสาทหลังจากนั้นพระราชามีอำนาจมากที่สดุดก็ประกาศสงครามพระราชาเริ่มตามหาผู้เชี่ยวชาญทั่วทั้งแผ่นดินผู้เชี่ยวชาญที่กล้าหาญมารวมตัวกันต่อหน้าพระราชาเมื่อพระราชามาถึงพระราชาสัญญากับพวกเขาว่าจะยกลูกสาวแสนสวยทั้งสาคน ให้เป็นการตอบแทนที่ช่วยรบในครั้งนี้นี่คือการเชิญชวนที่มีแรงบันดาลใจผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายวางดาบรวมกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีทหารจากที่ต่างๆมารวมตัวกันและไม่นานพระราชาก็พร้อมที่จะนำทัพพระราชานำทัพของเขาออกสู้พระราชาให้บายายาเป็นคนดูแลปราศาสตร์และเชื่อใจเขาให้ดูแลลูกสาวของเขาทั้งสามคน บายาย่าทำหน้าที่ของเขาด้วยความซื่อสัตย์ดูแลปราสาทและเตรียมแผนการให้ความบันเทิงแก่เจ้าหญิงหน้าที่จะทำให้พวกเจ้าหญิงมีความสุขและร่าเริงวันหนึ่งบายาย่าบอกว่าเขาป่วยแทนที่เขาจะไปหาหมอเขากลับขอไปที่ทุ่งหญ้าเขาจะไปหาสมุนไพรเจ้าหญิงหัวเราะเขาแต่ก็ปล่อยให้เขาไปหมาตัวน้อยรียบมาหาบยายา่ากองทัพพระราชาอ่อนแอมาก และพรุ่งนี้จะเป็นวันตัดสินชะตาของเขาใส่ชุดสีขาวลำดับของเธอไปแล้วออกไปกันเถอะบยายา่าอยู่ในกองทัพและติดอยู่ท่ามกลางศัตรูเขาสร้างความหายนละให้กับศัตรูจนกระทั่งกองทัพของพระราชามีกำลังใจพวกเขารวมตัวกันรอบๆอัศวินชุดขาว และต่อสู้กับศัตรูอย่างกล้าหาญจนทำให้กองทัพศัตรูแตกสลายไปพระราชาชนะสงครามอย่างยิ่งใหญ่ได้โปรดอสศวินผู้กล้าหาญมากับฉันที่เต็นของฉันและเฉลิมฉลองชัยชนะด้วยกันขอบคุณพระราชาแต่ว่าฉันไปไม่ได้เมื <Q> ่อเจ้าหญิงทั้ง3รู้เรื่องอสศวินนิรนามที่มาช่วยในการรบครั้งนี้เจ้าหญิง ไม่อยากแต่งงานกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเพราะคิดว่าอสุวินอยากแต่งงานกับพวกเขาคนใดคนหนึ่งทหารผู้เป็นเพื่อนรักของฉันฉันสัญญาว่าจะให้ลูกสาวทั้งสามคนของฉันกับคนที่ช่วยฉันรบในครั้งนี้ทุกคนเข้าร่วมรบอย่างกล้าหาญทุกคนสมควรได้แต่งงานกับลูกสาวของฉันแต่ฉัน มีลูกสาวเพียงแค่สคนเท่านั้นเพื่อที่จะตัดสินใจว่าลูกสาวทั้งสาของฉันควรแต่งงานกับใครฉันมีข้อเสนอแนะว่าให้ทุกคนไปยืนที่สนามยืนให้เป็นแถวแล้วลูกสาวของฉันทั้งสมคนจะโยนลูกแอปเปิลทองลงจากระเบียงเจ้าหญิงแต่ละคนจะต้องแต่งงานกับผู้ชายที่แอปเปิลตกลงในแถวนั้น มีงานเลี้ยงอันยิ่งใหญ่แต่ว่าสวิน่าอยู่ในห้องและไม่ยอมออกไปเพื่อเจอกับแขกม้าตัวน้อยให้เจ้าชายของเขาขี่เป็นครั้งสุดท้ายมาถึงปราสาทบายาย่าลงมาจากหลังมา้าเขาจูบลาเพื่อนที่ซสื้อสัตว์ของเขาแล้วม้าน้อยก็หายไป บายาย่าอยากจะพูดกับองค์หญิงเพคะเธอโกรธเจ้าบ่าวของเธอมากเหรอถึงต้องมาซ่อนตัวในนี้นายไม่ใช่เจ้าบ่าวของฉันบายาย่าคือเจ้าบ่าวของฉันแต่ฉันฉันคือบายาย่าฉันเป็นคนป่วยที่ทำพวงมาลัยให้เธอเป็นอัศวินที่ช่วยเธอและพี่สาวทั้งสองและช่วยพ่อเธอในการรบเห็นไหม นี่คือผ้าคลุมของพ่อเธอที่เขาใช้ผูกแผลที่ข้อเท้าฉันเมื่อทุกอย่างถูกอธิบายพระราชามีความสุขมากแขกที่มาร่วมงานตลาดใจกันมากโซบิน่าและบูดิงก้ามองหน้ากันอ้าปากค้างและอิดฉาหลังจากงานแต่งงานบายาย่าและสวิน่าออกไปเยี่ยมพ่อแม่ของบายาย่าเมื่อถึงบ้านเกิดของตนเอง ผู้คนดีใจมากที่เขากลับมาเพราะพวกเขาคิดว่าเจ้าชายได้ตายไปแล้วหลังจากนั้นบยายย่าก็ปกครองอาณาจักรของเขาด้วยความสำเร็จเขาอยู่นานและเจริญก้าวหน้าเขามีความสุขมากกับภรรยาของเขา